ตอนที่หกสศษหาครูบาอาจารย์พันซาที่แปดเข้ามาจำพันซาที่เหมือน ไม่อาจลืมปลื้มใจยิง่งตั้งใจจริงไม่ทิ้งภาวนาแล้วจึงเริ่มเร่งงานฝ่ายกรรมฐานนั้นถูกเวลาไม่ย่อท้อรอราไม่คลาดคลาดด้วยใจใมันนั่งนานๆจากนั้นเดินจงโคล จากได้พระธรรมนำคมเริ่มแน่นเหนียวสงบเคลียวกลมรวมแน่นซึ้งเป็นหนึ่งอารมณ์สงบระงับนับว่าน่าชมมีแต่ความรื่นรมสมดังตร้งใจไม่สะทกสะทานอะไรเริ่มไม่แหนงแคลงใจไหนมาคนนิพพ พรนาทันใดจะริกไปค้นหาอาจารย์อาจารย์ดีอยู่ไหนไกลกันดานไม่ผ่านผมดันโดนไปไต่ทางหลายสิบมอาจารย์ที่ไปลายไม้เรียนทมแล้วยังไม่นำใจตนตกดี ต่อไปหลวงตานั้นนับได้ว่าเป็นนักกล้าอาจารย์ก็ว่าได้เพราะเที่ยวสืบเสาะแสวงหาตลอดเวลาแทบเป็นแทบตายสำนักไหนวัดหลวงวัดราชวัดน้อยวัดใหญ่อาจารย์ไหนอยู่ที่ใดหาก<ม><ม>ได้ยินข่าวดีมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไรก็ยิ่งตั้งใจบุกบั่นเข้าไปหาเท่านั้น เพราะท่านไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างธรรมดาแต่ท่านตั้งไว้ในระดับสูงสุดคือวิมุตต์หลุดพ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะคอยให้คําแนะนําสั่งสอนนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญอันยิ่งใหญ่และสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจหวังได้พบพระอาจารย์มั่นจึงพยายามไต่ถามและออกติดตามหาพระอาจารย์มั่นต่อไป